เจ้าหญิงอนาตาเซียกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันยิ่งใหญ่มีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าแทนซองกาแทนซองกาถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนามว่าบอริสผู้คนในอาณาจักรของเขาไม่มีความสุขปัอย่างมากภาษีที่เรียกเก็บแพงเกินไปทหารที่ข่มเหงประชาชนและไม่มีใครที่ได้รับสิทธิเสรีภาพในการพูดเลย แต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้แทนซองกาเคยเป็นอาณาจักรที่สงบสุขภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมกษัตริย์โรบินกษัตริย์โรบินชอบที่จะปรึกษาหารือและมักจะวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้คนในอาณาจักรของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอเขาไม่เพียงเป็นกษัตริย์ที่ดีเท่านั้นเขายังเป็นสามีและพ่อที่ดีอีกด้วยเขารักภรรยา และลูกสาวคนเดียวของเขามาอนาตเซียมันเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึง่งบอริสซึ่งเป็นพลทหารของกษัตริย์ตัดสินใจต่อต้านเขาด้วยความสุ ข, ขุมและรอบครอบของเขาเขาเริ่มมีอิทธิพลต่อรัฐมนตรีและอัศวินคนอื่นๆและเริ่มต่อต้านกษัตริย์มันกินเวลาไม่นาน เขาใช้ความโลภของพวกเขาเพื่อความได้เปรียบของตัวเองและเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาได้จับกษัตริย์และจับราชินีไปขังไว้ในคุกใต้ดินเจ้าคนทรยศไม่นะ่าข้าจะเป็นคนปกครองอาณาจักรคนใหม่ข้าจะเป็นกษัตริย์บอริสผู้ยิ่งใหญ่ฮอานาตเซียหนีไป ทหารจับตัวเจ้าหญิงไว้ทหารวิ่งตามจับเจ้าหญิงที่ตอนนั้นอายุได้เพียงห้าขวบแต่แปลกที่เจ้าหญิงหายตัวไปหาจนทั่วก็ไม่พบเรากับว่าเธอหายตัวไปในอากาศหลายวันผ่านไปทหารกลัวที่พวกเขาไม่สามารถจับตัวเจ้าหญิงได้พวกเขาตัดสินใจที่จะกลับมาและบอกบอริสว่า ฟาบาดเจ้าหญิงพยายามข้าแม่น้ำได้ได้จมน้ำตายไปแล้วนี่ถ้ายาติคนเดียวของโรบินได้หายไปแล้วตอนนี้ทั้งอาณาจักรตกเป็นของข้าแล้วข้าคนเดียว ตอนนี้เจ้าได้ฝึกฝนวิชาจนเสร็จสิ้นแล้วขอบคุณมากท่านอาจารย์จำเอาไว้อนาเมื่อไรก็ตามที่เจ้ารู้ว่าตัวเองกำลังเคลือบแคลงใจแค่หลับตาลงและหายใจเขา้หาออหายใจออกลึกๆข้าอาจารย์ข้าจะจำมันเอาไว้ดีมากตอนนี้เจ้าพร้อมที่จะไปสู่แทนซองก้าแล้ว ไงแม่หนูได้อะไรมาในกระเป๋าล่ะเออแค่แอปเปิ้ลไม่กี่ลูกไว้ให้น้องสาวของข้านั่งไม่ต้องการมันหรอกเอามันมาให้ข้าซะไม่นะถ้าทําไม่ได้นั่งกำลังหิวมากได้โปรดละอืเจ้ากล้าขัดขืนงั้นเหรอเจ้าจะต้องเฮ้ยใช้ขนาดและร่างกายที่แข็งแรงกว่าก็มเหงเด็กเหรอชากไปสุภาพบุรุษจริงเชี่ยวเจ้าเป็นใครย่ามมาขวางทางข้านะ พอได้แล้วกับการรักแกรประชาชนที่บริสุทธิ์กลับไปบอกกษัตริย์ของเจ้าซะวันแห่งการคิดบัญชีของเขาได้มาถึงแล้วทหารไี่มีไป อ, อนาตเตเซหันไปมองที่เด็กและมุ่งหน้าต่อไปเด็กผู้หญิงได้พูดขึ้นว่ารอเดียวท่านชื่ออะไรเหร อ, อเอเชียว้าวคุณเป็นฮีโร่เอเชียซูเปอร์ฮีโร่เอเชียกลับบ้านไปเด็กน้อยและอนาตเตเ ก็หายตัวไปในความมืด <Yeah. Wow. S 1> ในไม่ชา้าเรื่องที่อนาตาเซียออกช่วยเหลือผู้คนก็เริ่มเป็นขา่าวผู้คนในอนาณาจักรเริ่มรู้สึกว่าในที่สุดก็มีผู้กอบกู้นางเป็นใครกันข้าก็ไม่รู้นางไม่เผยใบหน้าเลยในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆเฮ้ hey, ดูสิฉันเป็นซูเปอร์เอเชีย กลับไปบอกกษัตริย์ของเจ้าซะวันแห่งการคิดบัญชีของเขามาถึงแล้วไม่นานข่าวของซูเปอร์เอเชียก็ถึงหูกษัตริย์มันเป็นใครเจ้าซูเปอร์เอเชียเขากล้าจอมทีฏาหารก็ข่าอย่างงั้นเหรอฟาบาดนางนางเจ้ากล้าพูดขัดข้ า, างนงั้นเหรอ โอ้โอบเปล่าครับฝาบาทมันไม่ใช่เขาแต่เป็นนางตั้งหาฟฝาบาดซุเปอร์เอเชียเป็นผู้หญิงผู้หญิงอันเจอมหมายความว่าผู้หญิงจะมาทำลายอาณาจักรของข้า ง, งั้นเหรอในขณะที่รัฐมนตรีและบอริสกำลังคุยกันอยู่นั้นรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิภาพของประชาชนที่ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อใช้ในการนี้ท่านฮารุโตได้ขมวดคิ้วคิด ขาขอโทษที่คัดจังหวะน่าฝ่าบาดแต่หากท่านรัฐมนตรีแรงสามารถบอกเวลาที่นางปรากฏตัวได้มันจะช่วยได้มากในการวางกลยุทธ์ของพวกเราข้าเห็นด้วยนางปรากฏตัวเฉพาะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนางไม่เคยปรากฏตัวในตอนกลางวันเมื่อวันก่อนทหารของเราคนหนึ่งกำลังเก็บภาษีในตอนบ่ายเขารู้สึกว่ามีคนติดตามเขา แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่เมื่อถึงเวลาตอนเย็นเมื่อเขาเดินทางกลับมายังปราสาทพร้อมกับเงินภาษี <c oughs> เขาถูกโจมตีและถูกมัดไว้ <c oughs> ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามีทหารของพวกเราถูกโจมตีหลายคนดูเหมือนว่านางจะโจมตีใครก็ตามที่เป็นส่วนร่วมในการปกครองของท่านฝ่าบารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของฮารุตก ในเย็นวันนะเมื่อฮารุโตะมาที่ย่านใจกลางเมืองเมื่อเขารู้สึกว่ามีบางคนอยู่ข้างหลังเขาเขาจึงยิ้มออกมาไอ้ย่าทันทีที่ฮารุโตะจับมือเธอจ้องไปในตาของเธอและยิ้มออกมาอนาตเซีย ร, รู้สึกสับสนมากเจ้าหญิงอนาตเซียจะเป็นใครกันและรู้จักชื่อของข้าได้ยังไงกลุ่มดาวหมีใหญ่อย ปานใตยตาของเจ้ามันเป็นกลุ่มดาวเลยกลุ่มดาวมีใหญ่อนาตาเสียเริ่มสงสัยและเธอก็เคลื่อนไหวทันทีราวกับสายหลงเธอทำให้ฮารุโตะลงไปกองกับพื้นพี่ชายของข้าสอนเจ้าได้ดีจริงๆอนาตาเสียตกใจมาก วันที่เจ้าหายตัวไปเป็นวันเดียวกับที่พี่ชายของข้าชิมิโกะหายไปจากแทนซองกาข้าแอบคิดว่าเขาเป็นคนช่วยเจ้าแต่ข้าก็สลัดความคิดนั้นออกไปแต่เมื่อข้าได้ยินเกี่ยวกับซูปเปอร์เอเชียและความไม่พอใจของเธอที่มีต่อการบริหารของราชวงศ์ความคิดเก่าๆของข้าก็เริ่มย้อนกลับมาอนาตเซียลุกขึ้นและดึงฮารุโตะให้ลุกขึ้น ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะมิชิโ ก, โกและข้าปกป้องกษัตริย์โรบินและครอบครัวของเขาตราบจนสิ้นลมหายใจแต่บอริสวางแผนได้อย่างแยบยลเมื่อกษัตริย์และราชินีถูกขังไว้ในคุกข้าได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมกับบอริสหรือว่าเลือกที่จะตายข้าคิดว่าหากข้ายังมีชีวิตอยู่นอกคุกข้าก็คงจะมีทางพอที่จะช่วยพวกเขาได้สักวันข้าจึงยอม เข้าร่วมกับพวกเขาพี่ชายของขา้าไม่รู้เหตุผลของขา้านั่นทำให้เขาจากไปกับเจ้าและไม่เคยบอกข้าเลยว่าอยู่ที่ไหนนับตั้งแต่วันนั้นข้าหาโอกาสที่จะช่วยกษัตริย์และราชนีอยู่เสมอแต่พวกเขาไม่เคยเปิดช่องโหว่เลยจนกระทั่งเจ้ามาถึงข้าต้องการช่วยพ่อและแม่ของข้าออกจากคุกใต้ดิน หาเจ้าพักดีต่อพวกเขาจริงๆตอนนี้ได้เวลาพิสูจน์แล้วบอกข้ามาว่าข้าจะไปถึงบอริสโดยที่ไม่สร้างความกลโลห์ในวังได้ยังไงเพื่อที่พวกทหารจะไม่ได้จัดการกับพ่อแม่ของข้าข้าพ่อจะมีแผนอยู่แล้วฮารุตกบอกอนาตาเซียว่าบอริสจะมีทหารคุ้มครองอยู่ข้างกายเสมอนอกจากครั้งหนึ่งในหนึ่งปีเมื่อเขาต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ ภายใต้อนาจักด้วยการแสดงละครเวทีของเขามอริสชอบเตือนทุกคนในทุกๆปีว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงใดเขาจะเล่นเป็นตัวเองบนเวทีน้ำเสนอตัวเองว่าเป็นนักรบและผู้นำที่ยิ่งใหญ่เขาจะเปิดการแสดงด้วยตัวคนเดียวหลังจากนั้นจึงจะมีคนอื่นตามมาฮารุโตะบอกอนาตเซียถึงวันเวลาที่เขาจะทาการแสดง อนาตาเซียยิ้มออกมาไม่กี่วันผ่านไปวันนั้นก็มาถึกประชาชนรวมตัวกันที่เวทีโดยไม่เต็มใจนักรัฐมนตรีและอสวินนั่งอยู่แถวหน้าเสียงกลองได้ดังขึ้นและเมื่อม่านถูกเปิดทุกทุกคนต่างตกใจอย่างมากอ้อะไรกันอบอริสถูกมัดและนอนอยู่กับพื้นขณะที่อนาตาเซียนั่งอยู่บนบัลลังก์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการสแสดงงั้นเหรอเฮ้ hey, นั่นซูเปอร์เอเชียและไม่นานทั่วทั้งห้องก็เต็มไปด้วยเสียงพืมพพำมทันใดนั้นฮารุโตะก็ขึ้นมาบนเวทีและพูดขึ้นและนี่ก็เป็นจุดจบในการปกครองของบอริสสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายข้าขอนำเสนอพวกท่านเจ้าหญิงที่หายสาบสูญไปนานและทายาทบัลลังก์ที่ถูกต้องเจ้าหญิงอนาตเซีย ประชาชนทั้งหมดส่งเสียงเชียร์ออกมาอยากมีความสุขว้โอ้โหนาเป็นเจ้าหญิงของพวกเราเจ้าหญิงเราหยุดนะเจ้าคิดว่าจะจับกษัตริย์ของพวกเราแล้วจะนั่งเงียบเฉยได้งั้นเหรอทหารไปที่คุกใต้ดินที่โรบินกับภรรยาของเขาอยู่ซะถ้าเจ้าไม่ปล่อยกษัตริย์ตบอริสพวกเราจะประหารพ่อและแม่ของเจ้างั้นก็เอาเลยสิประตูทั้งหมดในห้องนี้ถูกล็อกจากข้างนอกเอาไว้ทั้งหมดแล้ว และในขณะที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่นี้พ่อและแม่ของข้าก็คงถูกปล่อยตัวแล้วอ ะ, อะไรนะทิ้งอาวุธของพวกเจ้าแล้วเอาอมันไปห่างๆซะทหารและรัฐมนตรีทั้งหมดทำอะไรไม่ถูกนอกจากทำตามที่นางพูดอ น, น, นัาเตียเสี่ยวปา่าเจ้าลองข้าไม่มีทางที่อ้อ อยากให้ข้าเตือนเจ้าไหมล่ะว่าเจ้าได้เอาอาณาจักรของพวกเราไปยังไงข้าไม่น่าลลงเชื่อเจ้าเลยข้าทำผิดครั้งใหญ่ที่ข้าคิดว่าผู้หญิงจะทำอะไรข้าไม่ได้ใช่แล้วความผิดพลาดขั้งใหญ่ของเจ้าและดังนั้นบอริสและคนของเขาก็ถูกจับตัวไปขังไว้ในคุกอนาตาเซียได้พบพ่อกับแม่ของเธอฮารุโตะก็ได้พบกับพี่ชายของเขาและทั่วทั้งอาณาจักรก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง เจ้าหญิงอนาตาเซียเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแทน2 9คนใหม่และภายใต้การปกครองของเธอผู้คนก็ปลื้มปิติอีกครั้งในระหว่างวันอนาตาเซียก็ปรึกษาหารือกเกี่ยวกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเธอจะสูดหายใจเข้าลึกๆและออกไปเผชิญกับความมืดมิดของอาณาจักรในฐานะซเปอร์เอเชีย จบบริบท